มากกว่าหมอที่รู้จักแต่หลักการซักไซ้ไล่เลียงและสำหรับตัวคุณเองก็จะเชื่อมั่นว่าตัวเองเห็นเหตุแห่งทุกข์และวิธีดับทุกข์ให้คนไข้ได้เสมอ